วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่ชาวพุทธผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใส ในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้มาศึกษามาเรียนรู้ทางสู่การดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงค้นพบและทรงนำามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่ ให้ได้มีโอกาสหลุดออกจากกองทุกนี้การที่จะหลุดออกจากกองทุกนี้ได้จำเป็นที่จะต้องรู้ทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ mm. ทางที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ mm. เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง เป็นทางเลือกที่สามก่อนที่พระเจ้าจะทรงตัดสูุทางสายกลางนี้<ม>ก็มีอยู่สองทางที่ <c oughs> สัตว์โลกใช้ในการดับความทุกข์กันแต่ทางทั้งสองทางนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริง ดับได้ช่วครั้งชั่วคราวแต่ความทุกขนี้จะไม่ได้ดับไปอย่างทา้าวอนเหมือนกับทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบทางสายกลางนี้อยู่ระหว่างทางสอ ง, สองทางที่เรียกว่าทางสุดตรงในการดับความทุกข์ ทางที่ใช้ดับความทุกข์แบบสุดต่งนี้ก็คือหนึ่งการใช้กา ร, รมสุขคือการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆมาดับความทุกข์ใจเวลาเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจก็ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพะเพื่อบรรเทา ความทุกข์ใจไปเชื่อระยะหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ไปได้อย่างถาวรเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาคจากสิ่งและบุคคลที่รัก และกา ร, รเผชิญกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเพียงแต่คิดถึงเหตุการณ์เหล่านี้ก็สามารถทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ แล้วถ้าไปหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นล้นก็อาจจะทําให้ความทุกข์นี้หายไปชั่วคราวเพราะไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงมึนแต่หลังจากที่ได้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นล้นมาแล้วความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นล้นก็จะจางหายไป แล้วความทุกข์ที่มีอยู่อันเดิมก็จะกลับโผลขึ้นมาอีกเพราะพุทธเจ้าก็เคยทรงใช้กามาสุขดาบความทุกข์ในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงมีความสุขทางรูปเสีงยงจิตลดโธพภะอย่างมากมายในฐานะพระราชคูมานพระราชบิดาทรงสร้างปราสาทให้สามฤ ด, ดู เาศาสามฤดูให้ไว้เป็นที่พักผ่อนไวเปลี่ยนไปตามฤดูการฤดูหนาวก็ไปอยู่ที่ทหนึ่งฤดูร้อนก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งฤดูฝนก็ไปอยู่ที่หนึ่งไม่ต้องไปทุกทรมานกับความร้อนความหนาวหรือความเปลียนของพื ด, ดินฟ้าอากาศ รงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้มามีความสุขจนวันหนึ่งพอได้ออกไปเที่ยวนอกพระราชวังเราไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะตั้งแต่เกิดมานี้พระราชบิดาไม่เคยให้คนแก่คนเจ็บคนตายนี้เข้าไปในวังเลย ไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าทุกๆชีวิตที่เกิดมาแล้วจะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายพบกับการพัดพากจากสิ่งที่ตนรักและพบกับสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาพอไปเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาไปพบเข้าก็ถึงกับช็อกขึ้นมาถึงเก ความสุขที่ได้จากการมาสุขที่ได้เสพรูปเสียงกิริย์ลดมาตลอดนั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความทุกข์ที่มาคอยหลอกล้อนจิตใจของพระองค์อยู่เรื่อยๆจนถึงกับทนไม่ไหวต้องคิดออกบวชเพราะว่าได้ไปเห็นนักบวชในวันนั้นด้วยนอกจากเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวช น่าทราบว่านักบวชนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปหาทางที่จะดับความทุกข์ของใจได้เมื่อพระ อ, องค์ทรงเห็นทางออกจากกองทุกข์คือการไปเป็นนักบวชพระ อ, องค์ก็เลยทรงรอหาจังหวะอันสมควรเพื่อห น, นีออกจากพระราชวังไป ก็เกิดขึ้นในคืนที่พระมเหสีทรงคลอดพระราชโอรสพอทรงทราบ ว, ว่ามีพระราชโอรสแล้วก็ทรงอุทานว่าราหุนแปลว่าบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วถ้ายังอยู่ในวังต่อไปก็จะถูกราหุนเมื่อบ่วงนี้ผูกผูกรัดจิตใจไม่ให้สามารถ ออกไปแสวงหาทางสู่การดับความทุกข์ได้องคเลยต้องตัดสินพระไทยหนีออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นโดยไม่ได้บอกใครเลยมีมหาเล็กคนสนิทติดตามไปส่งที่ชายแดนเท่านั้นหลังจากที่ไปถึงชายแดนมหาเล็กก็นำภาชนะคือนมากลับสู่พระราชวัง ส่วนเจ้าชายสิทธัตถะก็เดินไปหาที่บวชตามลำดับต่อไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพระองค์ไปบวชที่ไหนไปอยู่ที่ไหนกับใครเพราะถ้ารู้ก็จะถูกตามตัวกลับมาพระองค์ก็ส่งไปศึกษาไปเรียนรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ของใจ ตอนต้นก็ได้ไปเรียนรู้วิธีดับความทุกข์ด้วยการนักษาศีลเพราะการกระทำบาปก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเกิดความทุกข์ใจก็ต้องไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำให้ใจสงบเพราะเวลาใจสงบใจไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็หายไปก็ไปศึกษาได้ สองระดับด้วยกันคือระดับศีลและระดับสมาธิสามารถเข้าฌานขั้นต่างๆได้ mm hmm. เวลาจิตเข้าฌานจิตก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขของความสงบ mm hmm. ความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็าหายไปหมด mm hmm. เหมือนกับไม่เคยมีเลยแต่พอหลังจากออกจาก สมาธิมาออกจากฌานขั้นต่างๆมาพอมานึกถึงร่างกายของตนนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจก็ตามมาทันทีก็ไม่มีใครรู้ว่าจะดับความทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิได้อย่างไรรู้เพียงแต่ว่าถ้ามีความทุกข์ใจก็เข้าสมาธิไป แล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปชื่อกข่าวแต่ <c oughs> พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ใจก็กลับคืนมาอีก <c oughs> ถ้าไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาทางก็เลยไปหาทางดับความทุกข์แบบสุดต่งอีกแบบหนึ่งที่นักบวชใช้กันก็คือการทรมานร่างกายด้วย วิธีการต่างๆเช่นให้นั่งบนที่นั่งที่มีน้ามีของแหลมคมเพื่อให้เกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายทรมานร่างกายเพื่อที่จะทําให้ใจนี้เข้มแข็งจะได้ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายแต่ก็ไม่สามารถที่จะ ดับความกลัวความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้พระบุทธเจ้าเองก็ทรงทรมานร่างกายด้วยการอดพระกยอาหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันไม่กินข้าวอดข้าวยอมทุกกับการอดข้าวเพราะคิดว่าความทุกข์ที่เกิดจากการอดข้าวนี้จะมาดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้แต่อดไปยังกระทั่ง ร่างกายนี้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงจะตายอยู่แล้วความทุกข์ใจเกี่ยวกับความตายความเจ็บความแก่ก็ยังปรากฏอยู่ในใจอยู่ทรงรู้ว่าถ้าอดต่อไปก็มีแต่ตายอย่างเดียวแต่ไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เลยองค์ก็เลยทรง ระ ง, งับวิธีการทรมานร่างกายเพราะเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่ทางสู่การดับความทุกข์ตอนนั้นพระ อ, องค์มีผู้ติดตามมีสาวกอยู่ห้ารูปด้วยกันพระปัญจวคีพอเห็นพระพุทธเจ้าทรงหยุดการอดาหารก็คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงแพ้มานจะ แ, แล้วสู้มานไม่ได้กลัวตาย ก็เลยเสื่อมศรัท ธ, ธาในตัวพระพุทธเจ้าก็เลยแยกทางกันไปปล่อยหใหพ้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่ตามลำพัง mm hmm. เพียงพระองค์เดียวหลังจากที่ไม่มีใครมาห้อมแล้วไม่มีใครมาคอยเฝ้าดูพระองค์ก็ทรงใช้ปัญญาพิจารณาไปพิจารณามาก็ทรงเห็นว่า การใช้การมาสุขมันก็ดับความทุกข์ไม่ได้การใช้การทรมาร่างกายก็ดับความทุกข์ไม่ได้แต่การใช้การภาวนานี้น่าจะเป็นทางที่ดับความทุกข์ได้เพียงแต่ว่าดับได้เพียงครึ่งทางคือเวลาเข้าสมาธิเข้าฌานความทุกข์นั้นก็หายไปแต่พอเวลาออกจากสมาธิมา ความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ลองเปรียบเทียบดูว่าตอนที่อยู่ในสมาธิทุกข์มันหายไปเพราะอะไรแล้วพอออกจากสมาธิมาทุกข์มันกลับขึ้นมาได้อย่างไรก็เห็นว่าตอนที่อยู่ในสมาธินี้จิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งไม่มีความอยากอันใดทั้งสิ้นแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มมีการคิดปรุงแต่ง ก็เริมีความอยากขึ้นมาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วไม่สามารถทําให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระองค์ก็เลยทรงค้นพบสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากนี่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ส่วนสาเหตุที่เกิดจากการกระทำบาปนี้ทรงรู้แล้วว่าการกระทำบาปนี้จะทำให้ใจไม่สบาย<อ>เวลาเราไปทำผิดทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ระพืชผิดประเพณีพูดปดโกหกหลอกลวงใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีจะมีความไม่สบายใจ พระองค์ก็เลยส่งคนพบว่าสาเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็คือการการทำบาปเมื่อเมื่อเราไม่ได้ทำบาปความทุกข์ใจนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเลยส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่มันยังทำให้ใจทุกข์อยู่คือความอยากนี้พระองค์ทรงไม่รู้มาก่อนทรงมารู้หลังจากที่ได้มาบำเพ็ญกิตตะภาณา ขั้นวิปัสสนาภาวนาพิจารณาดูความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เกิดแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครที่จะสามารถยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของตายลับของอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงได้มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสุขคนพบกฎตายลักทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปลายลักร่างกายก็ดีร่างกายของสัตว์ของมนุษย์ก็ดีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ทิก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นต้องมีการดับไป เมล็ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะมาห้ามมาบังคับไม่ให้มันดับไปได้ถ้าใครไม่อยากให้มันไม่ดับความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีก็เลยทรงเข้าใจว่าทําไมถึงทุกข์กับความแก่ทําไมทุกข์กับความเจ็บทําไมทุกข์กับความตายเพราะไม่ยอมมองความจริงไม่เห็นความจริงหรือไม่ยอมมองความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้มันไม่ดับ น, นั่นจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระองก็เลยรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปอยากมันเท่านั้นเองหยุดความอยากทำใจให้เป็นอุเบกขาด้วยพลังของสติของสมาธิทำใจให้นิ่งๆเฉยๆแต่ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องหนี ไม่ต้องกลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะใจถ้าไม่อยากแล้วใจจะไม่ทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายหนีมันไม่ได้ยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใไ่แต่การยอมรับความแก่ความเจ็บความตายด้วยใจที่นิ่งเฉยด้วยใจที่เป็นปัญญาก็จะทําให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายสามารถรับความแก่ความเจ็บความตายได้ ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ใจขาดปัญญาใจมีอวิชชาครอบงำใจจึงทำให้มองไม่เห็นสัจธรรมความจริงของร่างกายว่าเป็นตายรักนี่ที่ทุกข์ก็เพราะไปอยากให้มันไม่ไม่เป็นอนิจจังอยากจะให้มันเป็นนิจจังอยากจะให้มันเป็นของของเราไปเรื่อย แต่ธรรมชาติทุก อ, อย่างนี้ไม่ได้เป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแล้วธรรมชาติก็เป็นผู้ดับมันลงไปในที่สุดในที่สุดพระองค์ก็ส่งคนพบความเป็นจริงของความทุกข์ว่าความทุกข์นี้หนึ่งเกิดจากการกระทําบาปสองเกิดจากการ มีความอยากต่างๆต้องสังเกตทุกครั้งที่เกิดความอยากอะไรขึ้นมาปั๊บนี้ใจจะเริ่มกวลกวายก็สับประสายใจจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรนี่กวนกวายเห็นไหมตอนที่ก็ไปแข่งขันอยากเป็นนางงามกันนี่นคนที่ไปสมัครนี่ก็ใจก็เต้นตุมตามกันจะได้หรือไม่ได้ แนะพอไม่ได้ก็เสียใจทุกใจอันนี้แหละคือความอยากส่วนคนที่ไม่อยากไปแข่งขันไม่อยากจะไปแข่งเป็นนางงามก็นอนหลับสบายกินสบายไม่ได้เดือดร้อนกับการจะได้เป็นนางงามหรือไม่ได้เป็นนางงามเห็นไหมนี่คือความความอยากอยู่ที่ใจของใครความความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นในใจของคนนั้นทันที ไม่ว่าจะอยากเป็นอะไรก็ตามอยากจะเป็นนายกก็เหมือนกันตอนที่เลือกตั้งก็ใจก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายกันไปกินไม่ได้นอนไม่หลับพอได้ผลมาใครได้เป็นก็ดีใจไปชั่วคราวเดี๋ยวไม่กี่ปีก็ต้องหมดวาละลงก็เสียใจขึ้นใหม่ก็ต้องทุกข์ใจขึ้นหม่ การที่ไปได้อะไรมาการที่ไปอยากได้อะไรนี่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอยากเป็นถ้าไม่ได้เป็นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าได้เป็นแล้วเดี๋ยวพอมพร้อมเสียไปหมดไปก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรด้วยความอยากนี่มันจะต้องทาให้ใจทุกข์ทั้งนั้น พระพุทธเจ้าก็เลยทรงรู้ว่าวิธีรู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากแล้วการที่จะมาหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็กคือมรรคนี่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางผู้ที่ต้องการจะหยุดความอยากต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจำเป็นที่จะต้องมีมรรค มีมัติมาปฏิปทาการปฏิบัติทางสายกลางที่อยู่ระหว่างทางสุดตรงสองทางคือทางสุดตรงแห่งการใช้กามาสุขและการสุดตรงแห่งการใช้การทรมานร่างกายที่ไม่สามารถที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ต่างๆได้ต้องไปทางสายกลางที่พระเจ้าได้ท่งคนพบ แล้วทางสายกลางนี้ก็มีองค์ประกอบอยู่แปดองค์ด้วยกันที่เราเรียกว่ามัชที่มีองค์แปดมัชิมาปฏิปทามัชที่มีองค์แปดมีอะไรบ้างองค์แปดองค์ที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิจิมีความเห็นที่ถูกต้ององค์ที่สองเรียกว่าสัมมาสังกปะมีความคิดที่ถูกต้อง องที่สเรียกว่าสัมมารกรรมโตมีการกระทําที่ถูกต้องมร์มองค์ที่สี่ก็คือสัมมาวาจามีการพูดที่ถูกต้องและองที่ห้าสัมมาอาชีวามีอาชีพที่ถูกต้ององค์ที่ห มีสัมมาวายามุความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องและองค์ที่เจ็ดสัมมาสติการระลึกการตั้งมั่นการระลึกรู้อยู่ที่ถูกต้องและองค์ที่แปดสัมมาธรมาที่การตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องให้ตั้งอยู่ที่ตรงไหน ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ของที่เกิดจากความอยากของของใจของกิเลสตัณหานี่จํำเป็นจะต้องสร้างมรรคสร้างองค์แปดนี้ขึ้นมาให้ได้ด้วยการไปศึกษาด้วยการไปปฏิบัติจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นผู้ที่รู้ทางสู่การดับความทุกข์อย่างแท้จริงผู้ที่รู้มรรค ที่เป็นองค์แปนี้ว่ามีอะไรบ้างถ้าเราอยากจะรู้ว่าสัมมาชิติเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นอย่างไรพรเจ้ก็บอกว่าต้องเห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากหนึ่ง<ม>เกิดจากการทําบาปเกิดจากการฆ่าสัตตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดโกหกหลอกลวงอันนี้ถ้าทำแล้วจะ ถ้ามไม่ให้ความทุกเกิดไม่ได้ทุกมันจะต้องเกิดเหมือนที่เวลาจุดไฟปั๊บนี่พอจุดไฟไฟมันก็ต้องลุกขึ้นมาทันทีถ้าไม่ไปจุดไฟไฟก็จะไม่ลุกขึ้นมาความทุกข์ต่อจากการกระทาบาสนะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสามประการน้วยกันอยากเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสผดสะพาอยากเสพรูปเสียงอยากไปเที่ยวอยากไป ดูไปฟังละครไปดูละครไปฟังคอนเสิร์ตอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากอะไรก็ตามอยากอยากไปหาความสุขจากลูกเสียงกล aj. ิ่นรสเวลาไม่ได้ไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคนที่อยากอยากดื่มสุราเวลาไม่ได้ดื่มสุราก็อาลวาดคนที่อยากจะติดยาเสพติดอยากเสพยาเสพติด เวลาไม่ได้เสด็จก็อารวาสขึ้นมาคนที่อยากไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวก็งดเย็ดอารมวาสขึ้นมาความทุกข์เกิดขึ้น ท, ทันทีถ้าอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากอันนี้คือความอยากชนิดหนึ่งที่ทำให้ใจทุกความอยากชนิดหนึ่งก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยพอไม่รวยก็ทุกข์ อยากสวยอยากงามพอไม่สวยไม่งามก็ทุกข์พออยากจะเป็นอะไรแล้วไม่ได้เป็นขึ้นมามันจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่ได้มีความอยากมันก็จะไม่ทุกข์เช่นมีแค่นี้ก็พออยู่พอกินไปก็อยู่ไปพอใจมีความพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่มันก็จะไม่ทุกข์ใจ พอ เ, เกิดความไม่พอใจเกิดความอยากมีมากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างต้องอยากไปมีความอยากมีอยากเป็นให้พอใจกับสถานะของเราเรามีอะไรเราเป็นอะไรของเราตอนนี้ก็พอใจพอใจก็จะไม่ทุกข์ความอยากอกแบบนี้ถ้าไม่ใจทุกข์ก็คือความอยากให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้น เวลาเกิดความแก่ขึ้นมาก็ไม่อยากให้มันแก่ความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความอยากไม่ตายความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราลักเราชอบไปนี่คือความอยากที่จะทำให้ใจของเราทุกขึ้นมานนการเราต้องมีสัมมาทิฏฐิเราต้องรู้ว่านี่แหละคือความสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็คือสิ่งเหล่านี้ แล้ววิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ก็คือเราต้องหยุดความอยากนี่ท่านี้แล้วเราจะทำยังไงถึงจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ต้องใช้ความคิดต้องมีความคิดที่ถูกต้องต่อไปนี้เราต้องคิดแล้วว่าต่อไปนี้เราจะคิดไม่คิดไม่ทำบาปสัมมาสังกโปความคิดที่ถูกต้องก็คือคิดไม่ทำบาปเช่นญาติโยมในวันนี้มาถือศีลกัน รู้ว่าการถือศีลนี่มันทำให้ใจเราหายทุกจากการกระทำบาปได้ห้ามไม่ให้เกิดความทุกข์ได้ถ้าเรารักษาศีลแล้วก็มาหยุดความอยากกันคิดหาวิธีหยุดความอยากกันวิธีหยุดความอยากก็ต้องมีการปฏิบัติก็คือสติสมาธิตามมา ต, ต้องใช้สติและสมาธิถึงจะหยุดความอยากได้ดังนั้น เบื้องต้นเราต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรเราต้องหนึ่งต้องมีมีการกระทาไม่มีการกระทําบาป ก, ก็นำไปสู่การข้อที่สามและข้อที่สี่และข้อที่ห้าก็คือสัมมากัมมันโตการไม่กระทําบาป ก, การไม่กระทําบาปคืออะไรทางทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีเรียกว่าสัมมากัมมันโตการกระทาที่ถูกต้อง สัมมาวาจาวาจาการพูดที่ถูกต้องก็คือต้องไม่พูดปดพูดแต่ความจริงถ้าพูดปดแล้วจะทําให้ใจทุกข์ไม่เชื่อลองไปโกหกใครดูสิโกหกแล้วก็จะไม่สบายใจกลัวว่าถ้าเขาเกเขารู้ว่าเราโกหกนี่เราก็จะเสียหน้าเราก็จะเสียเครดิตก็นํามาสู่องค์ที่สามองค์ที่สี่คือสัมมา กรมันโตการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่ไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้ผู้ไม่ไปทำให้เขาตายไม่ไปเอาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของเขาไม่ไปยุ่งกับลูกมี่สามีภรรยาของเขาไม่ไปพูดถามข้อนีนน้คือการกระทำที่ถูกต้องที่เรียกว่าศีลเอง สัมมาวาจาก็คือการไม่พูดปดพูดความจริงนี่รวมอยู่ในศีลข้อที่ข้อที่แล้วก็สัมมาอาชีวามีอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องก็คือเป็นอาชีพที่ไม่ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเช่นอาชีพขายสุรายาเมานี่ขายสุราคนก็เอาไปดื่มเมาแล้วก็ไปอารวาสสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่าขาย อย่าขายยาพิษอย่าขายกับดักสัตว์อย่าขายอาวุธต่างๆที่จะสามารถเอาไปทำร้ายทำร้ายชีวิตของผู้อื่นได้ให้ทำอาชีพที่ไม่มีโทษแก่ผู้อื่นเช่นทำอาหารขายทำเสื้อผ้าขายขายยุกขายยาทำอะไรที่ไม่มีเกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เพราะว่าเราไปทําให้เขาเดือดร้อนเดี๋ยวความเดือดร้อนมันก็จะกลับมาหาเราความทุกข์ใจก็จะมาเกิดกับเราขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าการกระทําของเราทําให้คนอื่นเขาต้องเขาต้องเดือดร้อนขึ้นมาอันนี้คือองค์ที่องค์ที่สามสี่ห้าคือเกี่ยวกับเรื่องศีลสัมมากรรมโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีโอะอาชีพ เวลาทํามาค้าขายต้องคิดว่าเราขายแล้วทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่ปาแม้จะเป็นสัตว์ในร้านเช่นไปไปจับปลามาขายจะจับปลาแล้วก็มาค่าค่าปลาแล้วก็มาขายปลา่ า, านี้อันนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการกระทําบาปอาชีพที่ทําบาปไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนออ นี่ก็คือการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องและอาชีพที่ถูกต้ององค์มรรคองค์ที่สามที่สี่ที่ห้าองค์ที่หกก็คือความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องให้ขยันหมั่นเพียรทําอะไรก็ให้ขยันหมั่นเพียรละการกระทําบาปเนี่ยอย่าทําบาปถ้าเคยทําบาปก็ให้หยุดถ้าหยุดได้แล้วก็อย่ากลับไปทําอีกเพียรพยายามห้ามใจตัวเอง แล้วก็มาเพียรพยายามลดความอยากหยุดความอยากการที่เราจะลดความอยากหยุดความอยากได้นี้เราต้องมีเครื่องมือสองอันด้วยกันก็คือหนึ่งสติและสมาธิองค์ที่เจดองค์ที่แปดเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการมาฝึกสติมาเจริญสมาธิกันเช่นวันพระนี้ ห, หยุดธรรมะกินหนึ่งวันแล้วก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรม การปฏิบัติทำก็ปฏิบัติสองอย่างนี่แหละสติกับสมาธิในเบื้องตน้นฝึกสติให้หยุดความคิดสตินี้จะเป็นผู้ที่สามารถหยุดความคิดได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้เพราะความอยากนี้มันต้องใช้ความคิดเช่นพอเห็นเห็นของที่สวยๆที่ชอบก็อยากได้ขึ้นมาก็คิดขึ้นมาว่าได้ขึ้นมาก็ดีของนี้มันสวยนะอของที่ อยากได้พอคิดถึงอะไรก็อยากได้สิ่งนั้นคิดถึงขนมก็อยากจะกินขนมคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาเขาพอคิดถึงอะไรแล้วมันความอยากมันจะตามมาทันทีแต่พอเราไม่คิดปั๊บนี่ความอยากมันก็ตามมามันก็โผลขึ้นมาไม่ได้ถ้าใจเรานิ่งๆเฉยๆไม่คิดอะไรตากแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็รู้เฉยๆ ไม่ได้ไปคิดว่ามันน่ารักน่าชมหรือไม่อย่างไรเฉยๆไปความอยากมันก็จะไม่เกิดถ้าไปคิดว่ามันน่ารักมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาความอยากได้ขึ้นมาถ้าไปคิดว่ามันน่ารังเกียจน่ากลัวก็มีเกิดความอยากหนีมันขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เฉยๆมันก็จะไม่เกิดความอยาก เกณเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารู้เฉยๆมันก็จะไม่มีความอยากไม่เจ็บยากไม่อยากให้มันหายมันเจ็บก็รู้เฉยๆไปถ้ามีสติทําใจให้รู้เฉยๆได้ใจก็จะไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วดของร่างกายได้ในเบื้องต้นต้องมาพยายามฝึกสติให้หยุดความคิดให้ได้แล้วก็หยุดความคิดได้ก็ให้มานั่งหลับตาเฉยๆให้มีสติดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้ามีการบริกรรมมีการดูลมความคิดก็จะหยุดคิดได้อพอหยุดคิดใจก็สงบเข้าสมาธิแล้วก็ได้พบกับความสุขความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่ความสุขอยู่ที่ความสงบของใจนี่เองเพราะตอนที่ใจสงบความอยากไม่มี ยังรู้แล้วว่าถ้าอยากจะให้ใจมีความสงบสุขมีความสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ต้องฝืนมันทันทีอยากจะดื่มอะไรที่ไม่จำเป็นต้องดื่มก็อย่าไปดื่มมันอยากจะกินอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องกินก็ไม่ต้องกินมันให้กินดื่มของจำเป็นแค่วันละหนเดียวก็พอกินวันละมือแล้วหลังจากนั้นก็ดื่มแต่น้าเปล่าอย่างเดียว เพราะน้ําอย่างอื่นนี่มันมีรูปเสียงกริดมันมีรูปมีสีมีสันมีรสมีชาดมันจะเกิดกา ม, มาตาัะหาความอยากเสพกามขึ้นมาได้ขนมนมเยนยอะไรต่างก็ไม่ต้องกินมันกินเฉพาะครั้งเดียวเวลาเวลาที่เรากินอาหารวันละมื้อนี่กินไปอยากจะกินอะไรกินให้มันเต็มที่ไปเลยผลเดียวกินให้อิ่มหลังจากนั้นแล้วก็หยุดไม่กินอะไร ถ้าหิวน้ำก็กินเนี่ยน้ำเปล่าไม่ต้องมีน้ำที่มีรสมีชาติมีอะไรทั้งนั้นร่างกายมันไม่สนใจแล้วว่าว่ามีรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวหรือไม่สิ่งที่มันต้องการก็คือน้ำร่างกายต้องการน้ำร่างกายต้องการอาหารอาหารก็ให้มันวันละหนึ่งครั้งก็พออย่าไปกินอาหารเพื่อรสชาติต้องกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นกิเลสเป็นความอยากอยากเศษกรมขึ้นมา อันนี้ถ้าเรามีสติมีสมาธิเราจะมีกำลังสู้กับความอยากได้เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเกิดความอยากอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันไม่ได้เป็นการดับความทุกข์อย่างถาวรเพราะสิ่งที่มันมาช่วยดับความทุกข์ทำให้เราสุขใจนั้นมันเป็นของชื้อคาว ได้มาแล้วเดี๋ยววันได้วันหนึ่งมันก็จะต้องหมดไปจากเราไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับเป็นธรรมดาได้อะไรมาในวันนี้ในวันข้างหน้ามันก็จะต้องมีวันพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาไม่มีอะไรอยู่กับเราอย่างถาวรแม้แต่ร่างกายนี้มันก็ไม่อยู่กับเราอย่างถาวรวันไดวันหนึ่งมันก็จะต้องเข้าสู่ความตายให้ได้ถึงถึงความตายกันทุกคนไม่มีการ ไม่มีการเว้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรูปเสียงกลิกรรก่นรสก็เป็นของชั่วคราวเวลาได้เสพมันก็เกิดความสุขเวลามันหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเงินทองเวลาได้เงินทองมาก็เกิดความสุข พอใช้เงินหมดก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามเวลาได้ยศได้ตำแหน่งก็เกิดความสุขขึ้นมาพอเวลาสูญเสียยศสูญเสียตำแหน่งไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาฉนั้นต้องลาให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนีอย่าไปเสพมันอย่าไปติดมันอย่าไปอยากได้มันอย่าไปอยากมีมันอย่าไปอยากร่ำรวยอยา่า ถ้ามีเงินก็มีไว้พอเลี้ยงปกักเลี้ยงทองเท่านั้นก็พอถ้าไม่พอเลี้ยงถึงเวลาที่จะร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะว่าต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาถึงเวลาร่างกายมันจะตายมันก็ต้องตายอยู่ดีเงินกองเงินทองกองเท่าภูเขาก็หยุดความตายไม่ได้อย่างนี้ฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวถ้าเกิดไม่มีเงินกินก็อดไปตายไปว mm hmm. ันนั้นที่สุดก็ต้องตายกันไปด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็ว สู้สู้ไม่มีความอยากมีเงินมีทองดีกว่าพออยากมีเงินมีทองแล้วมันเครียดมันทุกข์จะไปหาเงินที่ไหนจะเอาไปทําอะไรดีดีไม่ดีก็ไปคิดทําบาปซะเพื่อจะได้เอาเงินเอาทองมาไปโกหกหลอกลวงไปสร้างความทุกข์ขึน้นมาชั้นหนึ่งทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปนั้นอย่าไปอยากมีเงินมีทองอย่าไปอยากมียศมีตาแหน่งอะไร อย่าไปอยากให้คนสรรเสริญเยินยอใครจะชมก็เรื่องของเขาใครจด่าก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แล้วก็อย่าไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ให้อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอนานาหารตสาวกท่านอยู่กับบริขารแปดเท่านั้นท่านมีสมบัติอยู่แปดชิ้นมีบาทหนงใบไว้สําหรับหากินบินรบาด มีผ้าจีวรสามผืนผ้าไตหนึ่งชุดไว้นุ่งห่มมีเข็มขัดรัดเอวหนึ่งอันมีเข็มกัดได้ไว้ซ่อมจีวรเวลามันฉีกขาดมีใบมีดโกนมีมีดโกนไว้ปงผมปงหนวดแล้วก็มีที่กรองน้ำเวลาอยู่ในป่าสมัยก่อนตักน้ำมาดื่มต้องใช้ที่กรองน้ำเพื่อจะได้ไม่ตักเอาตัวลูกน้ำขึ้นมาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วย อันนี้แหละคือสมบัติของพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นและท่านก็ไม่กังวลถ้าไม่มีถ้าขาดอาหารท่านก็ไม่เดือดร้อนขาดเสื้อผ้าอะไรก็ท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านรู้ในที่สุดร่างกายมันก็ต้องถึงแก่ความตายอยู่ดีร่างกายท่านก็ไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นเพราะถ้าไปยึดไปติดแล้วเวลาที่ไม่มีมันจะทําให้ทุกข์ได้ ใจท่านไม่ทุกข์กับอะไรนี่แหละคือคนที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากจะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่วุ่นวายไปกับการหาหากินหาอยู่หาความสุขจากสิ่งต่างๆหาความสุขจากการภาวนาอย่างเดียวการเจริญมรรคอย่างเดียวการเจริญสัมมา ท, ทิิสัมมาสังกโปสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพอมีมรรคครบองแปดมีครบร้อยเต็มร้อยแล้วใจก็หลุดใจก็หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดไม่มีความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ต่อไปใจก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบาย ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ด้วยไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพราะรู้ว่าการมีร่างกายก็เป็นการมีความทุกข์นั่นเองมีร่างกายแล้วก็ต้องก็ต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายอย่างนี่แล้วสิ่งที่ร่างกายหามาให้ก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันไม่อยู่มันไม่สามารถให้ความสุขไปได้ตลอดเหมือนกับความสุขของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานนี่แหละเป็นเป็นความสุขที่ถาวรพระนิพานพานคืออะไรก็คือใจที่ใช้มรรคแปดนี้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนั่นเองถ้ามีมรรคแปดแล้วความอยากที่เคยมาสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้มันจะหายไปหมด เมื่อมันหายไปหมดแล้วใจก็เหลือแต่ความสุขแห่งเดียว <ừng. S 1> ที่เรียกว่าปรามังสุขขังก็ <ừng. S 1> เรียกว่านิพานใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้ชำระปัญหาความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติมรรคที่มีองค์แปด <ừng. S 1> ถ้าใครอยากจะ <ừng. S 1> ไปนิพานอยากจะมีความสุขตลอดเวลาอยากจะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องมาสร้างมรรคที่มีองค์แปดนี้ให้ได้ซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักบวชอย่างเดียวเป็นฆร า, าวาสก็สามารถปฏิบัติได้เพราะพุทธเจ้าไม่ห้ามไม่ห้ามญาติโยมปฏิบัติมีแต่สอนให้ปฏิบัติฆร า, าวาสก็ปฏิบัติได้ผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียว เด็ ก, ก็ปฏิบัติได้ผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้ถ้าถ้าเข้าใจว่ามรรคแมีอะไรแล้วสามารถปฏิบัติตามมรรคแได้ก็จะบรรลุได้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะไปนิพพานได้ไม่มีแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดในยุคที่พระุทธเจ้าอยู่ทรงสอนให้ปฏิบัติมรรคแ ก็ไปนิพพานกันได้ในยุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แต่ยังมีคำสอนที่มีมรรคแปดอยู่ถ้าปฏิบัติมรรคแในวันนี้ก็สามารถไปนิพพานได้เหมือนกันไม่ต้องไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปองค์ข้างหน้าพระสีหอานถึงจะไปนิพพานได้ตอนนี้ก็ยังไปนิพพานได้อยู่ถาบดถ้ามีมรรคแปมีทางสู่การพ้นทุกข์ยังมีอยู่ยังไม่หายไปจากโลกนี้ ถ้ายังมีการศึกษามีการร่าเรียนมีการปฏิบัติมาก8อยู่การจะไปสู่พานิพันธ์ก็ยังมีอยู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นอาการริโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่ว่าจะต้องไปปฏิบัติที่อินเดียคนสมัยนี้บางคนคิดว่าต้องไปบวชที่อินเดียถึงจะไปนิพานได้บวชที่เมืองไทยแล้วไปไม่ได้อันนี้เข้าใจผิด ครูบาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายท่านไม่เคยไปอินเดียกันหลวงปู่มั่นอาจารย์ปรมาจารย์ทางสายกรรมฐานนี้ท่านไม่เคยไปอินเดียหลวงตามหาบัวท่านก็ไม่เคยไปอินเดียหลว ну งปู่แหวนหลวงปู่ขาวครูบ า, าจารย์ต่างๆที่ร่างกายของท่านกลายเป็นพระธาตุไปหมดเนี่ยเป็นพระแสดงว่าเป็นพระอาหารหันต์ลั่เนี่ท่านก็ไม่เคยไปอินเดียท่านไม่ได้ไปบวชที่อินเดียกันท่านก็บวชที่เมืองไทยนี่แหละ บวชที่เมืองไทยปฏะวัติที่เมืองไทยบางคนก็คิดว่าต้องไปบวชที่อินเดียแล้วถึงจะสามารถที่จะไปถึงนิพพานได้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดบางคนก็คิดว่าต้องเป็นนักบวชเท่านั้นถึงจะไปนิพพานได้ก็เข้าใจผิดเองคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชบางคนแต่น้อยเท่านั้นเองเพราะว่าคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีเวลามาปฏิบัติกัน โมแต่ไปยุ่งกับการทำมาหากินหาอยู่ยุ่งกับครอบครัวยุ่งกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง mm. ก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติปฏิบัติกันอย่างเต็มที่แต่ถ้าอนญาตโยมคนไหนได้ศึกษามรรคแปะแล้วรู้ว่าถ้าอยากจะไปนิพพานก็ปฏิบัติมรรคแปะนี้ถ้าสามารถที่จ ะ, ะตัดภาระการงานต่างๆลงไปให้หมดได้แล้วสามารถ ปฏิบัติได้ถึงแม้จะไม่ได้บวชก็ไปไปนิพพานได้เหมือนกันการไปนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ที่สถานะภาพาว่าเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชนักบวชมาบวชแล้วไม่ได้เป็นก็มีต้องเยอะแยะไปไม่ได้ไปนิพพานก็มีเยอะแยะไปพอเวลามาบวชแล้วไม่ศึกษามรรคแปดกันไม่ปฏิบัติมรรคแปดกั น, ม, ม, กนมัวแต่ไปทํามัวแต่ไปสร้างโบสสร้างเจดีย์กันมัวแต่ไปทํา ภารกิจอย่างอื่นกันแทนที่จะมาสร้างมรรคที่มีองค์แปดกันมาปฏิบัติมรรคที่มีองค์แปดกันก็ไม่ได้ทํากันแต่แตม้จะมาบวชก็ไม่ได้มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนิพพานได้เช่นเดียวไปการจะไปนิพพานนี้มันอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติมรรคแนี้เท่านั้นถ้าใครก็ตามถ้าสามารถศึกษาเข้าใจมรรคแปดได้และปฏิบัติตามมรรคแปดได้ก็สามารถที่จะ ไปถึงนิพพานได้ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องรอว่าต้องต้องรอให้มียุคที่มีพระพุทธเจ้ามาส่งสอนเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าถึงแม้ร่างกายเราจะตายไปจากโลกนี้แต่พวกเธอยังมีเราอยู่เป็นครูเป็นศาสตราเป็นอาจารย์อยู่อยู่ในรูปแบบของสวากขาตูภควาตาธรรมโมทำที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละทำที่เราตัดไว้อย่างถูกต้องแล้วนี่ จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไป mm hmm. พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสตราเ mm hmm. นี่ยถ้าเราศึกษามรักแปดนี้ถ้ามีมรักแปด mm hmm. ก็แสดงว่ายังมีพระพุทธเจ้ามาสอนเราอยู่เอามรักแปดนี้ก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหน mm hmm. ก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่แหละไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะรู้รู้จักมรักแปดได้ด้วยตนเองต้องเป็นคนที่ฉลาดที่เก่ง ที่บำเพ็ญบารมีอย่างโชคโชนที่เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถาก่อนบวชนี่ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านมีบารมีโชคโชนวยขณะท่านเป็นกษัตริย์ท่านยังตัดออกบวชได้เลยมีกษัตริย์ในคนไหนในโลกนี้บ้างที่ออกบวชกันไม่มีหรอกถูกอำนาจของกิเลสหลอกให้ยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติของกษัตริย์กันไม่มีทางที่จะออกบวชได้ ถ้าไม่ได้บําเพ็ญบา ร, รมีอย่างเจ้าชายสิทธัตถะมามเจ้าชายสิทธัตถะท่านมีบา ร, รมีท่านมีปัญญาบา ร, รมีมท่านเห็นว่าทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองนี้<ม>เป็นของชั่วคราวไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้<ม>การจะดับความทุกข์ใจได้ต้องไปเป็นนักบวช<ม>ท่านก็เลยสามารถออกบวชได้<ม>แต่คนที่ไม่มีปัญญามองไม่เห็นไม่มีทางที่จะออกบวชได้มีกษัตริย์องไหนบ้างในโลกนี้ที่ ยา่าตัดสินใจสรลราชสมบัติแล้วออกบวนไม่มีหลอกอเพราะไม่มีปัญญาบัญญาบา ร, รมีมีไม่ถึงต้องเป็นบา ร, รมีระดับพระโพธิสัตว์นี้เทนั้นถึงจะเห็นถึงจะมีปัญญาให้เห็นว่าการล่ําความล่ํารวยการเป็นกษัตริย์การเป็นใหญ่เป็นโตนี้มันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะดับความทุกใจได้ นอกจากไม่ได้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์ใจแล้วยังเป็นเครื่องมือสร้างความทุกข์ใจให้มากให้ให้มากกว่าคนยากจนอีกเชื่อไหมคนขอทานกับกับกษัตริย์นี่ใครจะทุกข์มากกว่ากันกษัตริย์อาจจะสบายทางใจสุขทางสุขทางร่างกายสุขอยู่กินสบายมีมีพระราชวังอยู่แต่ต้องทุกต้องกังวลกับเรื่องราวต่างๆเรื่องปงเพราะชนบ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างมันต้อง ไปไหนมาไหนไปคนเดียวได้ที่ไหนไปทีก็ต้องมีอารักขาติดตามไปการมีอารักขาก็แสดงว่ามีความทุกข์ใจแล้วทำไมขอทานนี่นอนที่ไหนก็นอนได้ไม่มีความทุกข์ใจเลยเพราะรู้ว่าไม่มีใครมาทำมันมันไม่มีอะไรจะให้พระพุทเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์เรยเห็นเนี่ยการไปเป็นขอทานเนี่ยดีกว่าการเป็นกษัตริย์ความทุกข์ใจนี่น้อยลงทันทีเลยก็เลยออกบวชได้ แต่ถ้คนไม่มีปัญญานี้จับมองไม่เห็นเรื่องความทุกข์ใจเห็นแต่เรื่องของร่างกายเห็นแต่ความทุกข์ทางร่างกายโอ้ไม่ไหวไปเป็นขอทานนี่ทุกทุกลําบากอดมือ้อกินมือ้อยากลําบากเหลือเกินสู้เป็นกษัตริย์ดีกว่าเป็นกษัตริย์อยู่ในวังนี่มีข้าวของเงินทองไว้เสพได้กินอย่างเต็มที่เลยแต่ไม่ได้มองด้านทางทางจิตใจว่าความทุกข์ใจของของใครจะมากวา ก, า ก, มากว่ากันขอทานหรือกษัตริย์จะมากกว่ากัน ขอฐานนี้มันไม่ทุกข์ใจเลยเพราะมันไม่รู้จะทุกข์กับอะไรเพราะไม่มีความหวังกับอะไรอย่างมากวันหนึ่งมันก็ขอฐานกินไปวันวันหนึ่งอย่างมากมันก็จะถ้ามันจะทุกข์ก็ทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแต่มันก็ต้องยอมรับเพราะมันมันรู้มันไม่มีทางที่จะไปไปทําไปแก้มันได้มันอยู่ในฐานะนี้ทําอะไรไม่ได้ความทุกข์ทางใจเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแม้จะมีอยู่ก็ไม่มากมายเหมือนกับคนที่ล่ําที่รวย อ, อนี้ร่ำที่รวยนี่ถือว่ามีเงินมากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ต้องใช้เงินทองหามารักษาก็ยิ่งทุกข์มากใหญ่ทุกข์กังวลกับความเป็นความตายของร่างกายนี่แหละคือเรื่องของผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราเป็นผู้ที่มีมีปัญญามีความฉลาดที่สามารถเห็นถึง การอยู่ในความสุขนี่เป็นเหมือนกับอยู่ในกรงถูกขังไว้อยู่ในกรงอยู่ท่ามกลางความสุขของรูปเสียงกลิน่นรสนี่ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะมีเวลาออกไปเจริญนักแปดได้ไปปฏิบัติได้ถ้าจะมีเวลาก็ต้องไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบนักบวชนักบวชนี่เขาไม่มีงา น, นไม่มีงานไม่มีอะไรทำนอกจากงาน ก็คือการดับความทุกข์ทางใจด้วยการปฏิบัติมรรคแนี่คือศีลสมาธิปัญญา mm hmm. ในสมัยก่อนที่พระุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้นี้ mm hmm. เขาก็รู้แค่สอ ง, สองระดับรู้วิธีดับความทุกข์ใจด้วยการรักษาศีลด้วยการทําใจให้สงบด้วยให้เป็นสมาธิเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีใครรู้เรื่องปัญญายังไม่รู้ว่าวิธีที่จะทําให้ความทุกข์นี้หายไปอย่างถาวร ไม่ต้องเข้าสมาธิก็สามารถดับความทุกข์ใจได้ต้องมีปัญญาอันนี้ไม่มีใครรู้ต้องมีเนี่ยเจ้าชายเสด็ทัตถ ะ, ะ, ะ, ะมาบวชแล้วก็มามามาปฏิบัติจนในที่สุดก็มาพบความจริงพบอริยสัจสีเพราะว่าความทุกข์ใจนอกจากการทำบาปแล้วก็เกิดจากความอยากต่างๆ และการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ความไม่สามารถนำไปดับความทุกข์ได้น อ, นอกจากดับความทุกข์ไม่ได้แล้วกลับไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นขึ้นมาซีเพราะสิ่งต่างๆที่อยากได้ที่คิดว่าจะมาทำให้ใจมีความสุขทำให้ใจไม่ทุกข์นั้นมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเออยู่คนเดียวรู้สึกเหงาคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขเวลาแต่างงานใหม่ๆก็มีความสุขกันพอไม่เข้าเมื่อเข้าไม่ทันดำก็ทะเลาะ ก, กันแล้วสิตีกันแล้วความสุขที่ได้จากการแต่างงานกันนะหายไปแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคนก็ไม่แน่นอนความดีกคือดีเขาก็เปลี่ยนได้ เวลารักกันใหม่ๆเขาก็ดีไปหมดชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้นกเป็นนกพอพออยู่กันไปสักพักหนึ่งมันชี้อะไรมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นตัวใครตัวมันน่ะอตอนต้นก็เอาอกเอาใจกันแต่พออยู่ไปเรื่อยๆเริ่มกลับมาเอาอกเอาใจตัวเองใชแล้ว mm hmm. พอเขาไม่เอาใจเราเราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาอัน mm hmm. นี้แหละคืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์ได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ได้ก็คือปัญญาที่เห็นว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ต้องหยุดความอยากทั้งนี้หยุดความอยากด้วยการเห็นว่าการไปทําตามความอยากมันนําไปสู่การไปนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขเช่นดับความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาว่าเวิด้วยการไปมีครอบมีแฟน พอคิดอย่างนี้ก็ต้องหยุดมันแล้วเบอกมีแฟนนี่มันจะทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่อยู่คนเดียวสิอยู่คนเดียวก็ทุกกับความเหงาว้าวเวแค่นี้นเองแต่พอไปมีแฟนนี่เดี๋ยวต้องไปทุกข์กับแฟนทุกข์กับลูกทุกข์กับอะไรมากมายกายกองตามมายาวเหยียดสู้ทุกข์แบบเหงาว้าวเวดีกว่าหรือมาหยุดความเหงาว้าวเวด้วยการทําใจให้สงบท่านความว้าวเวมันเกิดจากความความอยากมีเพื่อนอยากจะมีอะไรมาให้เพลิดเพลิน พอมันไม่มีมันก็เดยเหงามันก็ว้าเหว่ถ้าเรานั่งสมาธิจรัญสติหยุดความอยากนี้ได้ความเหงาความว้าเหว่มันก็จะหายไปมันก็ไม่ต้องไปมีแฟนไม่ต้องมีมีอะไรอยู่คนเดียวได้วิธีการก็คือต้องกลับมาหยุดความอยากหยุดความอยากด้วยศีลหยุดความอยากด้วยสติหยุดความอยากด้วยสมาธิแล้วก็หยุดความอยากด้วยปัญญา คือตายรักเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักไม่สามารถเอามาดับทุกข์ในใจเราได้นอกจากดับทุกข์ในใจไม่ได้แล้วยังมาสร้างความทุกข์ในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปซี่ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงติลลดโผฏฐะไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราคิดว่าอ๋อจะเขาจะมาให้ความสุขกับเรานั้นถือว่าเป็นการคิดผิดต้องคิดว่าได้เขามาแล้ว มันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าได้อะไรมาแล้วมันก็จะต้องกลายเป็นภาระที่เราจะต้องแบกได้ได้รถมาก็ต้องมาทุกขกับรถน่ต้องดูแลรถยนต์ไม่มีรถสบายกว่าไปไหนมาไหนก็ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถแท็กซี่ไปพอมีรถแล้วนี่ต้องมาขาที่จอดให้มันต้องอหาที่เติมน้ํามันให้มันแล้วต้องหาที่ปลอดภัยไว้จอดวันดีคืนดีก็อาจจะหายไปได้พอหายไปก็ทุกข์ใจขึ้นเมา มีอะไรต้องทุกข์หงั้นอย่าอย่าไปหาสิ่งต่างๆมาดับความทุกข์ใจมันดับไม่ได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ใจได้ก็คือหยุดความอยากและการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี่ที่ญาติโยมมาอยู่กันในวันพักนรนุ่นก็มาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี่มารักษาศีลห้าศีลแปดกันแล้วก็มาฝึกสติมาเดินจงกรมนั่งสมาธิคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิด แล้วเวลามีเวลาก็นั่งหลับตาทําใจให้นิ่งๆจะทําให้ใจหยุดคิดนิ่งได้ต้องนั่งร่างกายต้องนั่งอยู่เฉยๆถ้ายัางเดินยังเคลื่อนไหวยังทําอะไรอยู่ก็จะหยุดความคิดได้แบบชั่วครัง้งชั่วคราวยังไม่ได้หยุดแบบเต็มร้อยยังไม่หยุดเต็มที่แต่ก็ทําให้ความคิดเบาบางลงได้ด้วยการเจริญสติแต่ถ้าต้องการให้ความคิดหยุดอย่างอย่างเต็มร้อยนี่ต้องนั่งเฉยๆ นั่งหลับตาแล้วก็เจริญสติด้วยการแล้วลึกถึงพุทธโธพุทธโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื๋ยวให้ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าทําได้โดยที่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็หยุดคิดพอใจหยุดคิดความอยากก็หายไปความอยากหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปส่วนที่เหลือก็เหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุดใจขึ้นมา ถ้าเราจะเห็นความจริงถ้าเราปฏิบัติสติปฏิบัติสมาธิได้เราจะเริ่มรู้เลยวว่าออความทุกข์ของเรานี่มันเกิดจากความอยากของเรานี่ต่อไปนี้เราต้องพยายามฝืนความอยากให้ได้ฝึนความอยากด้วยการฝึกสมาธิฝึกสติแล้วก็ฝึกปัญญาพยายามมองว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดไปหรือเปลี่ยนไป ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีในใจเราก็หมดสิ้นไปอันนี้คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฝึกสติมาเจริญสมาธิมาเจริญนักที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมาทิฏฐิความความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปโปความคิดที่ถูกต้อง สัมมากรรมันโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามุความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการเ ล, ลึกรู้ที่ถูกต้องสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องถ้าเราทํามากแปดเหล่านี้ให้ครบบริบูรณ์ได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆในใจของเราได้ อ๋อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วความทุกข์ก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความสุขที่เป็นเรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขใจที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดใจไม่มีวันตายใจของพวกเราตอนนี้ไม่ได้ตายแต่มันทุกข์เพราะว่ามันมีความอยากถ้าเราปฏิบัติมรรคแได้เราก็จะกําจัดความทุกข์ในใจของเราหมดไปได้ใจเราก็ยังอยู่ต่อไปแต่อยู่ยังมีความสุข แทนที่จะอยู่แบบมีความทุกข์อย่างที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้อันี้ก็คือเรื่องของมรรคแปดที่ทางสู่การดับความทุกข์ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาฤวาฮ า, าปุราปริกเรนติสาคลังเอวเมีวาอิโตทินังเปตานังอุปปักกะปะิ เอติตังปะทิตังสุมหังคิปเมวะสะมิจจตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโขวินาสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานเอายุวันโสุขังอาลาอัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามต่อไปถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้าทาง YouTube หรือทางเพจวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook พระสุชาติไลฟ์491 YouTube พระสุชาติไลฟ์ สองร้อยสามสิบสี YouTube Dr V Channel 74 Clubhouse 9วิทยุออนไลน์12ผู้รับฟังหน้ากุฏิ116รสวมทั้งหมด936รอสาสครับถ้ามีคำถามก็อ่านถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังที่หน้ากุฏินะครับคนที่อายุมากเกือบเจสปี จะมีโอกาสได้มักแปดไหมครับอยู่บ้านแล้วมีอุปสรรคมากรวมทั้งสุขภาพด้วยครับถ้าไปอยู่ที่วัดเขาก็ไม่รับคนแก่ใช่ไหมครับก็คงจะยากนะเพราะว่ า, วาการปฏิบัติมันต้องปฏิบัติตอนที่ยังมีกำลังวังชาพรานิยมให้บวชตอนอายุ2ี่สิปีอนนั้นจะไประโรงเรียนอ่ะ จะไปเรียนโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนมาหาลาัยตอนอายุแปดสิบเขาก็ไม่อยากจะรับแล้วเพราะสมรรถภาพมันไม่มีแล้วก็รอไว้พบหน้าชาติหน้าก็แล้วกันตอนนี้เวลามีโอกาส ก, าก็ไม่เอาพอไม่มีโอกาสแล้วก็จะเอามันก็ช่วยไม่ได้นะยกเว้นว่าถ้ามีลูกเป็นพระอรหรนันต์ลูกก็สอนพ่อในบ้านได้เลยอย่างพระพุทธเจ้าก็ไปสอนพ่อในวัง แล้วก็เป็นผ้าหันได้ภายในเจ็ดวันก่อนตายแต่ต้องมีผ้าหันใบสอนถ้าไม่มีแล้วก็ยากคำถามต่อไปจากคุณปุ้ยการให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลกับการรักศีลรักษาศีลแต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้ทานเลยผลแห่งบุญกรรมนั้นจะส่งผลให้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรบ้างครับ คือถ้ารักษาศีลมันก็ปิดประตูอาบายเวลาตายก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายแลาก็ถ้าถ้าทาบุญก็จะไปสวรรค์งั้นก็แล้วแต่ว่าจะจะมันต้องทำทั้งสองอย่างเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้รักษาศีลได้ตลอดเวลาบางทีเราก็อาจจะพังเผอแล้วอาจจะเกิดโทสะขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมา ที่เรายับยั้งไม่ได้มันก็จะทําให้เราไปทําบาปได้เพรานั้นทางที่ดีก็พยายามทําทั้งสองอย่างบาปก็อย่าทําหรือทําให้น้อยที่สุดแล้วบุญก็ทําให้มากแล้วเวลาตายไปบุญที่เราทําถ้ามันมากกว่าบาปมันก็จะดึงเราไปสวรรค์แต่ถ้าบาปมันมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปอบายได้ดังนต้องทําทั้งสองอย่าง แล้วโอกาสที่จะไปอบายก็จะมีน้อยลงโอกาสที่จะใบสวรรค์ก็จะมีมากขึ้นคำถามต่อไปจากคุณอัชราการรดน้ำมนต์หรือการประพรมน้ำมนต์มีอยู่ในศาสนาพุทธหรือไม่ครับไม่มีหรอกศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมอย่างเดียวอยากจะได้ดิบได้ดีก็ทำความดีไปถ้าไม่อยากจะเสียหาย เสรมเสียก็อย่าไปทำบาปการไปปราบผมน้ำมนนี่มันไม่ได้มารลบล้างบาปบุญที่เราทำได้เาั้นทำความดีไวอ้อย่าไปทำบาปแล้วจิตใจก็จะมีแต่ความสุขความเจริญคำถามต่อไปจากคุณพัชรวาด บางครั้งลูกนั่งเจริญภาวนาพิจารณาถึงอดีต ท, ที่เคยไปเก็บศพร้ญาติกับคุณพ่อจะรู้สึกปล่อยวางได้ดีครับร่างกายเขากับลูกก็ต้องสูญเปล่าทิ้งไปลูกจะนำมาพิจารณาในขณะที่นั่งเจริญภาวนาได้อย่างไรครับก็ เ, เวลาที่จิตมันไม่มันไม่สงบมันฟุ้งซ่านนั่งภาวนาดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายอย่างอื่นไปก่อน ที่จะทำให้ใจกลับมาเป็นปกติพอจิตเป็นปกติแล้วก็ต้องใช้การดูลมต่อไปหรือใช้คำบริกรรมพุดโทถึงจะเข้าสมาธิได้คำถามต่อไปจากคุณแดนขอวิธีทำให้ยอมรับโรคภัยไข้เจ็บและยอมรับความตายครับก็ไปเที่ยวโรงพยาบาลบ่อยๆไปอยู่โรงพยาบาลบ่อยๆ เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเราจะเห็นว่ามีทุกเพศทุกวัยทุกฐานะยากมียากดีมีจนคนหนุ่มสาวคนแก่คนชราเด็กกับผู้ใหญ่นี้ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้นนั้นถ้าเห็นบ่อยๆเข้าแล้วมันก็จะยอมรับได้คำถามต่อไปจากคุณลุงติกราบขอคำแนะนำจากท่านพระอาจารย์ครับ ลูกชายทํางานมาหกเดือนแล้ววันนี้ทางโรงงานบอกว่าไม่ผ่านโปรในการทํางานผมไม่รู้จะปลอบใจลูกชายจะทําให้เขามีความรู้สึกดีขึ้นได้อย่างไรครับอ๋อมีงานที่ดีเราเราอยู่เราไม่เราไม่รู้กันเองงานที่พระเจ้ามอบให้พวกเราเนี่ยไปบ้บวชกันสิได้ได้รายได้ดีกว่าได้เงินเดือนที่ได้เงินเดือนนี้จิ๊บจ้อยเมื่อเปรียบกับรายได้ที่จะได้จากการบวชการปฏิบัติธรรม คำถามต่อไปจากคุณทีกัตนาอยู่กับคนที่เขาทําร้ายจิตใจเปียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์จะใช้ตัวไหนให้เป็นอุเบกขาได้จริงๆครับเพราะยังจะต้องเจอะเจอกันครับผมก็เหมือนอยู่กับศาสเดลฉานี่ศาสเดลฉานเขาก็ไม่มีความเมตตาต่อกันเขาก็จะมีแต่การรังแกกันแกลงแย่งชิงดีกัน ร่างกายของคนอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์นเป็นเดรัฉานก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ถ้าเราอยู่กับคนที่เป็นใจเป็นเทวดาเขาก็จะมีความเมตตากรุณาเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเราอยู่กับคนที่ใจเป็นเดราาัฉานเขาก็ต้องแสดงอาการของสัตว์เดรัฉานออกมาถ้าเรารู้ว่านี่คือธรรมชาติของทารเราก็จะได้ทําใจได้เหมือนกับเราเราต้องอยู่เวลาเราไปอยู่กับสัตว์เดรัฉาญเราก็ไม่หวังอะไรจากมันมากมาย คำถามต่อไปจากคุณภูมิเวลาที่เราคิดแล้วลืมทันทีแล้วก็คิดไม่ออกคือจิตของเราไม่ให้เราคิดใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่เราคิดกําลังจะมาก่อความทุกข์หรือเป็นเพราะว่าร่างกายของเราครับอ๋อ เ, เรื่องของจิตเรื่องของสติสติเป็นผู้ที่จะทําให้ใจยหยุดคิดได้ถ้าไม่มีสติก็ใจก็จะไม่หยุดคิดพ อ, อได้สติปั๊บมันก็หยุดคิดได้ทันที เรจะไปทําบาปมันก็หยุดคิดพอคิดได้ปั๊บมันก็หยุดทําบาปได้คําถามต่อไปจากคุณพิตินันรู้สึกเกิดเวทนาทางใจบ่อยๆจะภาวนาอย่างไรครับก็หมั่นเจริญสติไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นไปได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราจะทําอะไรก็พุทโธไปด้วยกัน อาบน้าก็พุโทโธล้างหน้าแปลงควันกบพุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธท่องพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็จะระ ง, งับความคิดต่างๆได้พอไม่มีความคิดความทุกข์ใจมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจเกิดจากความคิดความคิดที่ไปคิดไปในทางความอยากต่างๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่เดือดร้อนยอะไรต่างๆคิดแล้วมันก็ทำให้ใจทุกข์พอเราหยุดคิดปั๊บความทุกข์เหล่านี้ก็จะหายไป แล้วเนอะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมเชิญถามได้เนะอะเข้ามาหยิบหน่อยให้กลับราชการค่ะอยากทราบว่าอย่างคารวาสมองเห็นคนหรือเห็นสัตว์ว่าหน้าตาดีเนี่ยแวบบแรกที่เราเห็นเนี่ยแล้วเราก็ไม่คิดอะไรเฉยๆถ้าเป็นพระรหัสนี่เขาจะเห็นเหมือนเราไหมคะว่าแป๊บเดียวเนี่ยว่าคนนี้หน้าตาดีองเนี้ยค่ะอ๋ออย่าไปรู้เลยให้เป็นนะเขาจะรู้เอง ไม่สําคัญตอนนี้ขอขอทําเป็นให้เหมือนกับผ้ะอาหารก็แล้วพระอาหารท่านก็เฉยเฉยท่านมีอุเบกขาท่านไม่ไปเลือกที่รักมักที่ชังท่านไม่มีความรักชังกลัวหลงเห็นอะไรท่านก็เฉยเฉยแค่แป๊บแป๊บเดี๋ยวเห็นก็คือหน้าตาดีความคิดเราเรื่องไม่แป๊ไม่รู้เราไม่ต้องไปสนใจก็ทําให้ได้ก็ถ้าทําได้แป๊บก็ดีเลยทาไม่ได้ทำแล้วอยาให้มันเกิดความรักชังกลัวหลงก็แล้วกัน ไม่มีคำถามครับไม่มีคำถามนะถ้าไม่มีก็จะได้เลิกกันนะโอกาสหน้าเข้ามาถามกันใหม่ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ